บัดเน่ได้เวลาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิให้พากันฝึกหัดนั่งขัดสมาธิเพชรให้ได้การนั่งขัดสมาธิเพชรน่้มมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรล พระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้นั้นก็นั่งขัดสมาธิเพชรก่อนจึงสามารถตรัสรู้ได้การนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นไม่ใช่เป็นของยากมันยากที่เราไม่ตั้งใจทําไม่ตั้งใจนั่ง เขาเทว่ามันปวดเข่าบ้างปวดแข้งบ้างปวดขาบ้างอันนี้มันมาจากเรายังไม่สลักชีวิตให้เป็นทานลงไปพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่พระองค์จะนั่งขัดสมาธิใต้ร่มไม้โพนั้น พระองค์มาลำลึกในน้ำพระทัยใจของพระองค์เองว่าเมื่อก่อนเชียสงไขยพระองค์ได้รัฐพยากรจากพระพุทธเจ้าที่ปังก่อนว่าจะได้มาตรัดสโลเป็นพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียนี้ แต่ทำไมในชาตินี้พระองค์ก็บวชเป็นพระฤาษีได้หกพันสาแล้วก็ยังตรัสโลไม่ได้พอพระองค์ลำลึกอย่างนั้นในน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าของเราก็ เมโอบายธรรมพดขึ้นมาในใจของพระองค์ว่าการจะตรัสจิเลศความโกรธความโลภความหลงก็ดีหรือจะตัดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามจะต้องสละชีวิตว่าอย่างนั้นพอพระองค์ได้ความว่าสละชีวิต พระองค์ก็ประลึกไดท้ทีเดียวว่าไม่ต้องเป็นห่วงชีวิตนี้พระองค์ก็มองเห็นแจ้งชัดว่านั่งขัดสมารถเพชรนี่แหละเมื่อนั่งแล้วก็สละชีวิตลงไปเธ้ท่านให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อน แล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงหลับตา น, นึกบริกรรมภาวนาคำว่าสละชีวิตนั้น <c oughs> พระพุทธองค์ท่านตั้งใจลงไปว่า การนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้หมายถึงที่ตอนไม่พอ น, นั้นเราจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าอย่างเดียวถ้าการตรั เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระองค์ก็จะเอาที่นี้เป็นที่ตายแนั้นจิตใจของพระองค์ก ม, มันของที่เดียวเรียกว่าปองชีวิตลงไปจะนั่งภาวนาที่นี่ให้มันตายแล้วอย่างนั้นกิเลสมันไม่ตายจะนั่งภาวนาให้มันตาย คือไม่ลกไปมาในที่ใดๆไม่เมอาหารมาเลี้ยงร่างกายชีวิตมนุษย์ก็ยอมแตกดับตายตายไปเป็นธรรมดาเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนี้จิตใจที่ทอแท้อ่อนแอ น, นั้นแล้วลกขึ้นไม่กลัวตาย จะนั่งให้มันตายทีนี่สักชาติหนึ่งจิตใจพระองค์กล้าเราทุกคนก็ให้หัดนั่งสมาธิให้มันกล้าบ้างเดี๋ยวนี้เจ็บมันไม่กล้าหารนั่งได้เนิดน็ดหน่อยๆก็มันเจ็บนั่นเจ็บนี่ บางคนก็ว่าขาสั้นบ้างขายาวบ้างอ้วนมากบอกอ้วนน้อยบ้างอะไรต่อมีอะไรมีข้อแก่ไปหลายอย่างหลายประการ <c oughs> คือเราไม่ยอมสละความสะดวกสบายอันเราเห็นว่าเป็นความสะดวกสบายนั่นออกไป พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นแล้วว่าถ้าไม่สละชีวิตลงไปเดา ว, ว่าไปไม่รอดข้อแก้มันมีมากมายหลายอย่างทีนี้เมื่อตัดสินใจลงไปว่าตายลูกเดียวไม่ต้องฝงสารลำคาญไปอย่างอื่น เมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนี้แล้วพระองค์ก็เลือกอบายภาวนาว่าจะเมอบายทำอันใดหนอที่ดีๆมาภาวนาเมื่อพระองค์ลำเลึกอย่างนี้ ก็มีอุบายธรรมอันหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของพระองค์เหมือนกันอันพระธรรมนี้มันมีอยู่ในโลกในใจว่าไม่ต้องไปหาธรรมที่ไหนแหละลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละอนาปาธรรม กำหนดลมหายใจให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตหลงลมหลงไปที่อื่นไม่เอาลมเข้าไปก็ให้กำหนดได้ว่า น, นี่เป็นลมเข้าลมออกมาก็ให้กำหนดได้ว่า น, นี่เป็นลมออกเมื่อพระองค์ได้อุบายทำ คืออนาปาลมหายใจเข้าออกแล้วก็ตั้งสติขึ้นมาสติก็คือจิตใจนั่นเองเป็นผู้ระลึกขึ้นมาสติคือความระลึกได้ระลึกได้ว่านี่ลมเข้านี่ลมออกไม่ให้พลั้งเผลอลืมตัวลืมใจไปที่อื่นเหมือนแต่เก่าก่อนมา เมื่อพระองค์จำกัดลงไปว่าลมเข้าลมออกเป็นการบอกบูบายธรรมพระองค์จับจุดนี้ได้ก็แน่วแน่ในดวงจิตดวงใจของพระองค์ทีเดียวทุกลมเข้าก็ตามรู้ว่านี่เป็นลมเข้าทุกลมออกก็ตามรู้ว่านี่เป็นลมออก และในขณะเดียวนั้นพระองค์ก็ตามรู้ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่ที่ลมหายใจถ้าลมหายใจนี้เข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ติดขัดอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นคือความตายทุกตัวคนทุกตัวสัตว์หมดลมเมื่อใดก็ตายเมือนั้น ลมหายใจออกไปแล้วกำโสดเข้ามาไม่ได้ก็ตายเองพระองค์ก็ได้อุบายความตายเข้ามาสอนจิตใจเพิ่มกับลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจของพระองค์ควบคุมสงบประงับอยู่ที่ลมหายใจ และมองเห็นมรณะภัยคือความตายในจิตใจของพระองค์แจ่มแจ้งเจบใจของพระองค์ก็สลดสังเวชในความตายเพราะมรณะกรรมฐานนี้ไม่ว่าสาวกพระพุทธเจ้าก็ตามองค์พระพุทธเจ้าเองก็ตามท่านกําหนด ความตายทุกลมหายใจเข้าออกจนได้รับความสลดสังเวชในมรณะกรรมฐานในความตายของพระองค์และความตายของสัตว์ทั้งโลกเราทุกโลกทุกนามที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาก็ให้ตั้งใจ นั่งขัดสมาธิกำหนดจิตใจของตนทุกลมหายใจเข้าออกโดยเฉพาะมรณะกรรมฐานลืมไม่ได้เพราะกรรมฐานคือความตายนั้นเป็นยอดกรรมฐานถ้าจะว่าถึงประเภทผักมนุษย นำมาเป็นอาหารก็โดจะได้แก่คำว่ายอดความตายนี่เป็นยอดเหมือนยอดผักไม่ว่าเก็บผักใบไม้ใบตองอะไรมาเป็นอาหารก็เอายอดมันเรียกว่ายอดความตายนี่แหละทั้งเราด้วยก็จะต้องตายคนอื่นก็จะต้องตาย ผู้ที่ยังไม่ตายก็จะต้องตายตามๆกันไปแต่ถ้ามันยังไม่เห็นแจ้งในจิตใจของผู้ภาวนาเจตมันก็ไม่กลัวล่ะไม่กลัวตายไม่กลัวเป็นไม่กลัวอะไรท้งนั้นอันนี้คือว่าจิตมันยังไม่เห็นแจ้งในมรณะกรรมฐาน ถ้าเราทุกคนมองเห็นแจ้งในจิตใจของตัวเองว่ามารณะกรรมฐานเป็นยอดธรรมคนเราเกิดมามีบิดามารดาผู้บังเกิดเก่าแต่บิดามารดาผู้บังเกิดเก่าของเราทั้งหลายนั้นท่านจะอยู่ไปได้สักกี่มากน้อย ดูตัวเราทุกคนเวลานี้ถ้าอายุแก่ๆมาสักหน่อยพ่อแม่ก็จะล่วงลับไปนั่นและคือว่ามรณ ะ, ะกรรมฐานนักเข้าที่น้องญาติมิตรสหายก็ตายตามๆกันไป ่าเหลือโยแต่พวกหลานพวกเหลันหลอนที่เกิดมาภายหลังแต่ก็จะตายตามกันไปเหมือนกันหมดเอกไม่นานก็จะมาถึงเราผู้ภาวานานั่งกรรมฐานนึกถึงความตายแต่มันยังไม่ตายแท้มันตายทีละเล็กและน้อยไปอยู่ เหมือนเราเห็นต้นไม้เรามองเห็นต้นไม้ถ้าเราดูผิวเผินต้นไม้ต้นนั้นมันยังไม่ตายยังเขียวสดโยแต่ถ้าเราดูให้ดีต้นไม้ต้นหนึ่งหนึ่งที่เรามองเห็นนั้นส่วนที่มันตายไปอยู่มีอยู่ตลอดปีอย่างพวกใบมันเขียวโยเวลา ฝนยังตกโย่้ามันตกแรงมาใบมันจะตายล่ะกิ่งก้านเล็กๆแนน้อยมันก็ตายบางต้นง่าใหญ่ยอดใหญ่ๆก็ตายลงมาก็งีนั่นแหละต้นไม้มันก็ตายได้สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็มีความตายเป็นผลที่สุด มารณังเมภาวิสติเราจะต้องตายมารณะกรรมฐานต้องนึกถึงเสมอพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตัดสอนไว้ว่าเราตาขาคตหมายถึงพระองค์เองอันความตายนี้เราไม่ได้หลงไม่ได้ลืมพุกลมหายใจเข้าออก ดดที่พระองค์ตัดสโลตัดกิเลสได้ทุกอย่างทุกประการแล้วแต่มรณะกรรมฐานท่านก็ยังมองเห็นแจ้งชัดอยู่ในจิตในใจเพราะอะไรเพราะว่ามรณะกรรมฐานเป็นยอดธรรมเป็นยอดสูงสด พอปฏิบัติทั้งหลายเมื่อไม่มองเห็นมรณะนะคือความตายเจตเดือด้านลหลงไหลไปตามอำนาจกิเลสทิฏฐิมาณนะก็ไม่ยอมละ่ะเพราะมันไม่มองเห็นว่าตัวจะต้องตายคนอื่นตายก็เออคนอื่นเขาตายพ่อเราตายก็เออพ่อตายเรายังไม่ตาย แม่เราตายเราก็เออแม่ก็ตายเป็นหนอเรายังไม่ตายเตือ้อเรายังไม่ตายเดี๋ยวก็พี่ตายไปพี่ตายก็เออตายไปแต่เรายังไม่ตายเดี๋ยวก็น้องตายไปวาดเรายังไม่ตายอยู่นั่นแหละนักเข้ามาันมาถึงตัวเราทุกคนนะให้เข้าใจไว้ ว่าความตายนี้เป็นภัยอันใหญ่หลวงแต่คนมันก็หลบเลกเอาเพียงให้มันพ้นจากความตายชั่วระยะหนึ่งจะไม่ให้มันตายจิตมันไม่ยอมมองเห็นความตายแล้วก็หลบหลบไปไหนพ้นไหมความจริงแล้วความตายนั้นไม่ต้องหลบ ให้ภาวนาว่าตายตายอยู่ในใจทำมันได้เพราะหลบก็ไม่พ้นถ้ามันจะเอาตายให้แล้วไม่มีทางหลบเลยนั่งภาวนาอยู่ดีๆก็ตายไปก็มีพระบางองค์ไม่ว่าสมัยก่อนสมัยนี้ก็มีองค์ที่นั่งภาวนาให้ตายก็มี นั่งภาวนาจนตายพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านนั่งภาวนาจนตายในภาวนาท่านไม่ออกจากสมาธิภาวนาท่านทำอะไรเรียกว่าทำจริงเนื้กน้อมเจริญอยู่ในใจเอาให้มันตายอยู่ในใจตายอยู่ในสมาธิภาวนา ตายอยู่ในใจที่เลิกละกิเลสความโกรธในใจไม่โกรธให้ใครไม่โลภอยากได้ของใครโลภไปถึงไหนตายแล้วเราเอาไปได้ไหมเห็นใครในโลกนี้เขาตายแบกสมบัติในโลกนี้ไปมีพ่อแม่ตายไปไม่ได้แบกลูกหลานเอาไป อย่างดีที่สุดก็พอมันโจรเจียนมาจริงๆก็ไปเลียกลูกคนนั้นหลานคนนี้มาว่าแม่จะตายเสร็จแล้วบางคนก็ยังมาลองให้ให้ลูกหลานดูน้ำหูน้ำตาเปียกอยู่คิดถึงหลานแม่จะตายไปเสียก่อนพ่ออุอ้ยแม่หลวงจะตายไปเสียก่อนแล้วนี่คือว่า จิตไม่มองเห็นภัยอันตรายว่ามันจะหลบหลีกได้เอาเข้าจริงๆมันหลบไม่ได้ดูบางคนเวลามันตายนั่งอยู่ดีๆก็ตายก็มีสมัยนี้ตายนั่งอยู่ดีๆมักจะเมีอยู่เสมอเพราะว่าร่างกายสังขารเนี่ยมันไม่คงทน เ อ, ออเ อ, อ, อาอากรรมเดียวเท่านั้นหลับตายไปเลยยาก็ไม่ทันส่งโรงพยาบาลก็บุทันไม่ทันมันเร็วขนาดเราจะเข้าใจว่ามันจะไม่ลดเร็วอย่างนั้นบางคนยืนอยู่ล้มลงก็ตายไปก็มีบางคนเดินไปดีๆตายก็มี บางคนไม่เป็นอย่างนั้นตายเพราะอุปปัตวายเหตุเดินข้ามถนนนิดเดียว ล, ลืมดูลืมดูรถข้างซ้ายข้างขวาไม่ดูออกไปก็โดโตมตายในถนนนั้นไวขนาดไหนมันไวจริงๆตายต้องนึกให้เห็นใหู้้ในใจ จนจิตมันเห็นแจ้งอยู่ตลอดเวลาเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเห็นแจ้งอยู่ตลอดเวลาท่านว่าความตายเรามองเห็นแจ้งชัดตั้งแต่ได้นั่งภาวนาที่ลกขมูลล้มไม้ต้นไม้สีมาหาโพธิจนบัดนี้ไม่ลืมท่านจำได้มรลนกรรมฐานจะเห็นคนเด็ก นมคนแก่คนชราพระองค์ก็มองเห็นความตายแจ้งจักว่าเมื่อใดมันจะมาถึงเมื่อเราหนอคนอื่นเขาตาย้เห็นมันไม่ใช่ตายแต่คนอื่นตัวเราก็ต้องตายเมื่อเป็นเช่นนี้พุทโทก็ต้องเรียบเร่งละ จะภาวนาอะไรก็อย่าไปลั่งรอบางคนก็ไปคากรรมฐานอาจารย์นั้นให้ภาวนาว่าอย่างนั้นอาจารย์นี้ให้ภาวนาว่าอย่างนี้เลยไม่ปรงใจภาวนาไม่ทำใจลงไปเลยไปตายอยู่ที่สงสัยอยู่นั่นแหละเพราะไม่ภาวนา ถ้าตั้งใจภาวนามรณะกรรมฐานลงไปพุทโธลงไปอะไรก็ตามเอามันรวมจิตรวมใจของตัวเองลงไปมันชัดเจนในใจมันไม่มีสงสัยอะไรเลิกไปละไปสงสัยอะไรก็ตามเราไม่ต้องไปมัวสงสัยอยู่เดี๋ยวก็ตายไม่ตายมันก็เดี๋ยวก็แก่ แกช ะ, ะลานั้นเราอย่าเข้าใจไปว่าโน้นผมศีสะงอกเป็นคนแก่เนื้อหนังมังสังเหี่ยวแห้งเป็นคนแก่ฟันหลุดลอยออกมาเป็นคนแก่มันแก่ไปทุกวันทุกเวลาทุกชั่วโมงนาทีวินาทีไม่ได้ยกเว้นแต่จิตหลงของคนเราต่างหากเล่ามันไปยกเว้นไว้ว่าชั่วโมงนี้คงไม่ตาย อีกหลายชั่วโมงคงไม่ตายคืนนี้คงไม่ตายอ่าอันนี้มันไปยกเว้นเราเองเวลาความตายมันเข้ามามันไม่ไม่มีการยกเวน้นใครจะมีเงินตั้งหมืน่นตั้งแสนจ้างไม่ให้ตายพญ า, ามัจยุราชก็ไม่ยอมมันเข็นฆ่าเอาจนตายทีเดียวเราจะไม่เรียบเร่งก็ตามแต่ว่า ความแก่ความเจ็บความไข้ความตายมันเร่งเรบเข้าไปที่สุดอย่าเข้าใจว่ามันไม่เร่งทีนี้ผู้ไม่เรบเร่งไม่ตั้งใจภาวนาว่ามันหนาวภาวนาไม่ได้ความจริงมันหนาว น, นี่แหละภาวนาดีถ้ามันเข้าแล้วดูหนาวนั่งคัดสมาพิสในดี รวมจิตรวมใจเข้าไปให้โยภายในแต่เดียวๆเวท่านั้นละจิตมันสงบแน่อยู่แล้วที่เราว่าหนาวหนาวเนี่ยมันหายไปเลยมันจะเกิดความอุ่นขึ้นมาเพราะในตัวคนเราในมีธาตุไฟอยู่ธาตุไฟมีอยู่ในตัวคนเราครบขัน ถ้าจิตสงบแน่วได้นะความอุ่นมันเกิดขึ้นมาแ่นั่นการนั่งภาวานาและดูหนาวนี่แหละดีมากอย่าไปลั่งรออย่าไปมัวคุยเล่นกันอยู่เอาจิตใจมาจดจ่อกับภาวานาในใจของตัวเอง การพูดคุยกันเล่นไม่มีประโยชน์โซภาวานาตายตายในใจไม่ได้ผู้ใดาภาวานาตายในใจของตนจน จ, นจิตใจมองเห็นแจ้งชัดคนทั้งโลกมากโดยชื่อเฉียงหลายคนก็ตามแต่รวมใจความแล้วมันตายเด็กกันทั้งหมด แต่ว่ามันเร็วช้าต่างกันเท่านั้นเองอย่าไปลั่งรอไม่ต้องไปผัดวันประกันพรุ่งผัดไปผัดมาผลที่สุดไม่มีทางสู้ได้เวลาจะตายมาก็ร้องไห้ไม่อยากตายไม่อยากเจ็บก่อนที่มันจะตายมาันต้องเจ็บเสีกก่อน เจ็บสูงสุดแล้วมันก็ตายไปเราต้องภาวนาเดี๋ยวนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้ให้มันพร้อมมูลบริบูรณ์อยู่จนจิตใจสงบตั้งมัน่นตั้งมั่นอยู่ในทานการกุศลตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าศีลแปดศีลสิบสองร้อยี่สิบเจ็ดของตน ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิจิตไม่วอกแวกวันไหวสันสะเทือนเป็นจิตที่แน่วแน่มั่นคงอยู่ในใจของตัวเองไม่ใช่เป็นของขอจากคนโน้นคนนี้เมบุคคลบางคนเมื่อไปหาพระหาเจ้าหาครูบาอาจารย์ ก็เรียกว่าขอเอาขอว่าเมื่อท่านได้บรรลุศินธรรมอย่างไรก็ขอให้แบ่งให้ข้าพเจ้าบ้างไปเข้าใจว่ามันแบ่งกันได้มันไม่ใช่อย่างนั้นของใครก็ของผู้นัน้นผู้นั้นไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของตัวเอง ไม่นั่งภาวนาไม่เดินจงกรมไม่ปฏิบัติบูบชาให้มันได้ตลอดไปไปขอเอาอย่างเดียวเมื่อท่านได้บรรลุมรรคผลอย่างใดก็ขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุมรรคผลด้วยอ่าถ้ามันเอาอย่างนั้นมันก็ไม่มีใครเหลือแล้วในโลกเนี่ยเขาไปสวรรค์นี่ผ่านหมดแหละ เพราะมันขอไม่ได้ต้องทำมาเองทำอย่างใดก็ทำภาวนาภาวนาตายให้ได้ทุกลมหายใจคือมองให้เห็นในใจมันต้องตายแน่ๆแล้วดูร้อนก็ตายได้แล้วดูหนาวก็ตายได้แล้วดูฝนที่ผ่านมามันก็ตายักทีคน